ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและรวมปพจิยานในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องลำดับขั้นตอนที่จะก้าวไปสู่สมาธิตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระเจ้าชาติตรูในสามัญญพุนสูตรเพื่อต้องการดูตัวบาลีพุทธวจนะจริงๆเนี่ย เราทรงเรียงลาดับขั้นตอนว่ายัางไงแม้แต่เรื่องตอนโ น, น้นช่วงตรงโน้นนะช่วงก่อนที่จะรูท้ที่เคยที่เรียงลําดับให้ดูนะฮะว่าคือตามปกติเราก็ไม่ได้พูดพอไม่พูดเข้ามามันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้อย่างเช่นช่วงที่ทรงเจริญนานาปานาีนัชติแล้วก็บรรลุสมาชิ สองสามระดับแล้วก็บรรูปฌานจนถึงอรูประฌานแด้กก็ถอยกลับมาที่เจตุตยฌานสภาพจิตในขณะนั้นรับสั่งว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราจะจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ความรู้ก็เกิดขึ้นในช่วงตรงนี้ คือตอนระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปประทับบนพระแท่นปายใต้ต้นพระศรีมาภูโหเนี่ยพระองค์ได้บรรลุอรูปฌานแล้วเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปประทับมันก็ตั้งต้นจากแกตุตตะานคือถอยกลับมาและตั้งต้นจา ก, กตุตตชานแล้วก็แยกไปจะเดินวิปัสนาประยาก็เกิดขึ้น เพราะนั้นทำให้เราเห็นว่ามานที่มาผจญพระพุทธเจ้าแม้ในคราวแรกเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสเพรกิเลสนั้นถูกสงบไปด้วยกําลังแห่งฌานหมดแล้วมานก็คงเป็นเทวปุตตมานมานอย่างอื่นมันก็ไม่มีแล้วนะขันธมานก็ไม่มีอะไรเบียดเบียนแรงกิเลสมานก็ถูกสยกไว้ด้วยกําลังแห่งฌานอภิสังขารมานก็สงบไปตามกิเลส แล้วก็มัตุมานก็ไม่ได้มีอะไรแรงนะฮะไม่มีรแรงจนถึงจะตายอันนี้มันมันมันคือการมองจะทำให้ชุดอยู่คือในพระบาลีสามัญสูตรเนี่ยเป็นพระบาลีที่ค่อนข้างจะท้าทายคือว่าโคตมาถามไม่ต้องการพิสูจน์ทดสอบ ต้องการจะลองดีด้วยนะฮะพระเจ้าเรียงให้เห็นเป็นลาดับ เ, เป็นเป็นขั้นเป็นตอนมายาวนะฮะเป็นประศุที่ยาวอยู่ในที่ขนิกายก็ในข้อต่อไปนั้นแสดงในแนวพุ่งกรรมฐานคือแนวที่แต่เราพูดถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือแนวสัมปชัญญะปปะพักแต่นที่นี้ก็รับสั่งว่า ดูก่อนหมาอัปพิธยังไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมชัญญะดูก่อนหมาอัปพิธภิกษุในธรรมินในนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรง้าสังกติบาตจีวรในการฉันในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปะสาวะ ยอมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดูก่อนมาบพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสมัจฉญานี่เป็นอารมณ์กรรมฐานเลยนะฮะที่เขาเรียกว่ารู้รูปนั่งรูปยืนรูปเดินนะบาลีก็เรียกว่าสมัจัญาปภัพ h t เป็นการปฏิบัติที่มีความประณีตขึ้นกว่าข้อแรกนะฮะกว่าข้อแรกเพราะว่ากำกับตัวเองไว้ด้วยสติสัมจัยญญสติคืออะไรสติคือความระลึกการหัวระลึกการย้อนระลึกท่านอธิบายไว้เยอะนะในพวกปิติธรรมีธรรมเนี่ยอธิบายกรอบความหมายไว้เยอะของสติ แต่ว่ากล่าวโดยเนื้อหาสาระก็คือว่าเราลึกได้ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นลึกย้อนไปไกลได้เท่าไหร่ก็ดีนะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอนดีตเราก็ย้อนไปก็ลึกได้แล้วประการต่อไปก็คือลึกทันในขณะนั้ น, น, น ทำนองการประคองบาตที่เต็มด้วยน้ําประคองภาชนะเต็มด้วยน้ำกันแล้วกันเนีนะคือถือของที่มันปิ่มปิ่มปิมปิ่มปิ่มอะ ล, ล, ล, ลองได้ดูถื อ, อยากไม่ใช่เล่นแต่ถ้าคนไที่เขาฝึกปรจนชนํชนานีิชานาเนี่ยเขาจะทําได้อย่างน่าทึ่งนะเช่นพวกบริการบริกรบนรถไฟอะเนี่ยก็ถือของตั้งแขนเลยถือเดินไปเนี่ย เราถือได้นะเราถือสองอันก็พังแล้วมันก็อยู่ที่การฝึกปลืออบรมบ่มเพาะของบุคคลเหล่านั้นว่าเขาฝึกปลืออบรมบ่มเพาะมาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรการฝึกจิตในลักษณะนี้มันอยู่ที่การรู้เท่าทันในขณะนั้นๆั้นเป็นการทำงานควบคู่กันระหว่างสติและสัมมชัญญา แล้วลังจะททำไปแล้วเนี่ยเราระลึกออกลั่จะ็ทำไปแล้วได้พูดไปแล้วได้คิดไปแล้วได้นึกออกว่าได้ทำอย่างนั้นไปแล้วได้พูดอย่างนั้นไปแล้วได้คิดอย่างนั้นไปแล้วนี่ก็พูดถึงสติโดยสรุปตัวหลักจริงๆมันก็มีอยู่สมช่วงใหญ่ๆแต่ว่ารายละเอียดมันจะมีเยอะมากเพจริงๆแล้วเนี่ยการครองชีวิตของมนุษย์ก็คือการจเจริญสติ สติก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือสติเราก็สรุปรวมแค่สติกับความกับปัญญาก็พอแล้วนะสองข้อนี้สามารถทำมาบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วเพราะว่ากุศนธรรมอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นติดตามมาได้เองสัมปชัญญะนั้นเป็นอาการของปัญญาแปลว่าความรู้ดัวทั่วพร้อมหวังแล้วก็เป็นสำนวนบาลีสักหน่อย คือพูดง่ายๆก็คือความรู้เท่าทันถึงความจริงในขณะนั้นๆแล้วก็รวมถึงในขณะก่อนเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องกันไประหว่างเขียนสมมติสติระลึวกว่าจะเขียนคาว่าประเทศไทยเนี่ยแล้วในขณะเขียนไปสติก็ระ ล, ลึกตามไป้วยความรู้ว่าประเทศไทยเขียนยังไงเรเขียนจบก็รู้ว่าได้เขียนไปอย่างนั้น เป็นการต่อเนื่องกันท่านอุปมาไว้ในมิดินปัญหาว่าสตินั้นเหมือนการรวบรวงข้าวเข้ามาไว้ภายในมือสัมจัยญาณนั้นก็เหมือนกับการตัดข้าวด้วยเขี้ยวของชาวนาเดี๋ยวก็ทําเราจะเห็นว่าคนบางคนเกี่ยวข้าวได้เร็วมากก็แสดงว่าสติสัมจัญญาเขาดีมากแล้ ง, งานบางอย่างที่มันเร็วยนทียิดเนี่ย แม้แต่การหั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไรต่ออไรต่างๆของพ่อครัวแม่ครัวเราจะเห็นว่าคนบางคนนี่ทําได้เร็ว่าเกินแล้วไม่เกิอดอุบัติเหตุดูแลหน้าเกิอดอุบัติเหตุเร็วสติสัมยันต์ญาต์ก็ดีสติสัมยันญาท่านริงจําแนกออกไปเป็นสีอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือสาตตกะสัมยัญต์ญา เป็นปัญญาที่ศึกษาพินิจพิจารณาคนา้นคว้าจนเกิดความรอบรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็คือการจําแนกระหว่างกุศลกับอกุศลได้นะอกุศลก็ไม่เป็นประโยชน์กุศลก็เป็นประโยชน์ทีนี้ถ้าปัญญามันลึกซึ้งลงไปเนี่ยกุศลเราก็ใช้ประโยชน์ได้อกุศลเราก็ใช้ประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าใช้ให้เป็นก็แล้วกัน นะบางคราวเราจะเห็นว่าใช้อกุศลเพื่อนำไปสู่กุศลก็มียกตัวอย่างท่านที่คุ้นเคยกับเรื่องของพระเวททันดรเนี่ยตอนที่ตอนกันกุมาร น, นะฮะตอนกันกุมารเนี่ยตอนที่ให้กันหาชาลีไปแล้วที่ประนังมรีกลับมาจากป่ามาถึงอาศรมก็เที่ยวติดตามหาลูก สอบถามพระเวชนดรก็ไม่ตอบเวชนดรก็เบี่ยงเบนประเด็นไปพูดทำนองคล้ายๆกับประหนางมัธรีไปครอบชู้สู่ชายไปติด ต, ต่ออยู่กับผู้ชายกลับบ้านมาค่ำมืดตึกดื่นแล้วมาเสแสร้งไปแสวงหาลูกเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นอุบายวธิธีคือความโศกเนี่ยมันกัดกร่อนจิตใจได้ลึกซึ้งมาก แล้วก็ถ่ายถอนได้ยากเขาเรียกลูกตอนคือความโศกมันติดตรึงจิตใจของบุคคลแล้วเนี่ยมัน่อดายถ่ายถอนได้ยากเลยก็ทําให้เกิดโธมนะพระโธมานะ ก, ก็เกิดน้อยประไทนะฮะเกิดโทสะก็ทําให้น้อยประไท่จนถึงก็ช็อกไปเลยก็สลบไปก็ฟื้นคืนขึ้นมาเนี่ย กิเลสพระเภทโทสะเนี่ยมันมันไม่ดีในแง่ที่มันโทษมันมากแต่มีในแง่ที่มันคลายได้เร็วแล้วก็มันจะมีเหตุผลในการสื่อสารกันได้ในการทำความเข้าใจกันได้ถ้าโทสะมันหายไปในสุดมาถึงจุดหนึ่งพอนางสั่งโศกแล้วนะคลายโทสะลงไปแล้ว เวสสันดรก็อธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าปฐัยแล้วพระนางก็ยอมรับความจริงส่วนนี้นีรแสดงว่าก็นําไปสู่เหตุผลสติปัญญามาเริ่มวปโศกะมาเริ่มวปโศกแล้วก็ทาให้เกิดเป็นโทมานัทจากโทมานัทก็กลายเป็นเสียปฐัยไปน้อยปฐัยนะฮะน้อยปฐัยแล้วก็กลายเป็นโทสะไปเป็นโทสะแล้วก็กลายเป็นลด โปรซาลงไปแล้วกลายเป็นความพร้อมที่จะรอบรับความเหตุผลตติปัญญาเป็นกระบวนการฝึกปรับจิตปรับสภาพจิตของบุคคลก็ในเการรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันไปถึงภาคบริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างแนวอริยสัจเนี่ยทุกมันก็ไม่เป็นประโยชน์ แต่เราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้สมุทัยก็ไม่เป็นประโยชน์แต่เราใช้ประโยชน์จากมันได้นิโรธก็ไม่เป็นนิโรธนิโรธเป็นประโยชน์เราก็ยิ่งได้ประโยชน์มากนั้นเป็นประโยชน์เราก็สร้างให้ได้ประโยชน์เพราะฉนั้นเวลารับสั่งสอนแสดงธรรมะเราเนี้ในกลุ่มมารยาศัตร์คือธรมะกลุ่มหนึ่งเนี่ยควรกําหนดรู้มัน กำหนดรู้สภาพความจริงของมันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปถ้าทําได้อย่างนี้ก็มีประโยชน์ตัวทุกเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกเนี่ยถ้าเรามองแนวนี้เราจะได้ประโยชน์จากทุกทีนี้พอมาถึงสมุทัยเนี่ยสมุทัยมันเป็นโทษมันเป็นกิเลส ถ้าเราจะให้ได้ประโยชน์จากมันก็คือต้องลดมันต้องลดปริมาณความเข้มข้นของมันลงไปเราก็ได้ประโยชน์นิโรธมันเป็นเป้าหมายมันเป็นผลที่พึงปรารถนาถ้าเราต้องการประโยชน์จากนิโรธก็คือทําให้แจ้งทําให้ปรากฏขึ้นภายในจิตเรามักนั้นเป็นข้อที่ควรจะเลย ม, มักไปทําอย่างอื่นไม่เกิดประโยชน์นอกจากว่านามาลงมือประพฤติปฏิบัรรติเพราะประชรอากาศสามัญญามันจึงมีกรอบใหญ่มาก โดยความไม่ชัดเจนในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าในบ้านในเมืองเราเนี่ยบางทีนึกเราก็น่าน้อยใจนะฮะน้ําท่วมขก้าของเสียหายคนบาดเจ็บล้มตายบ้านเดือนผังถี่นาศัตว์เลี้ยงตายเอาว่าจริงเราต้องซื้อน้ําดื่มนะอย่างนึกว่าน้ําดื่มซาสิงเนี่ยยังไม่เคยรินใส่น้ําใส่แก้วนะฮะยังนึกว่าประมาณแต่แก้วนั่นเองแต่แม้ทั้งห้าบาท น้ำท่วมบ้าน่วมเมืองนะฮะแต่เราต้องซื้อน้ำดื่มกินน้ำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้บ้านเราที่จริงยังสามารถจะใช้น้ำฝนได้อยู่นะะนอกสน บ, บทออกไปเนี่ยแต่มีกรรมวิธีหน่อยเท่านั้นเองทำให้เงินศูนย์สิ้นเปลืองไปโดยไม่ได้คุ้มค่าไม่ได้ประโยชน์อะไร บางทีดื่มน้ำขวดหนึ่งยังไม่ตันอิ่มเลยขายน้ำมากๆยังไม่อิ่มนะฮะขวดเดียวนี่มอิ ม, มันเล็กเกินไปแต่แหมราคาตั้งห้าบาทเสียดายสตังค์นี่ ค, ค, ค, คือคือคือสิ่งที่เราไม่ค่อยในมองกันแล้วมันก็สูงสิ้นเปลืองไปโดยโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา นไปเห็นพลาเขามีอะไรฉีดน้ำฉีดแรงมากน้ำแรงมากเราไปยืนดูแล้วสลดสลดใจสลดถดถูดใจว่าเอ๊ะทำไมอะคนทำไมคิดคิดก็เรียกมักง่ายโดยทั้งไปนะอย่างเงั้นคือน้ำที่มันแรงเนี่ยแสดงว่าไฟต้องแรงน้ำจึงแรงได้ แต่น้ำเนี่ยมันผ่านกระบวนการกรอนกรองมาเนี่ยเป็นทุ น, น่ะเป็นเงินอะน้ำมาเป็นเงินไฟก็เป็นเงินมาจากน้ำมันแล้วเราก็ขี้เกียจนิดเดียแต่เองคือฉีดน้ำเพื่อล้างคณะเป็นคณะนะเพราะความขี้เกียจของมนุษย์เนี่ยแต่มนุษย์ไม่ได้มองถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยเราสูญเสียเงินตาต่างประเทศไปเยอะแยะ จากน้ำมันเป็นไฟฟ้าแล้วเครื่องมือที่เอามาฉีดเนี่ยก็ทาเองในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ไม่รู้แหละทำนอกทำในก็ต้องมีวัสดุบางอย่างมาจากนอกนี่เพเออคนเรายิงเกียร์คราดลงไปเท่าไหร่เนี่ยนะฮะยิงเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเพราะความสะดวกสบายนีย่ที่จริงมันสิ้นเปลืองอีกด้านหนึ่งโดยเราไม่รู้ว่าเราสิ้นเปลืองไปเยอะ ปัญหาต้องการว่าต้องแยกแยะประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ให้ชัดเจนขนาดว่าเราเดินไปได้กลิ่นมาเนี่ยต้องจำแนกได้ว่ากลิ่นนี้ควรสูดหายใจเข้าไปหรือไม่แล้วประการต่อไปก็เรียกว่าโครจร ะ, ะสัมมัญญาคือต้องรู้ทางไหนที่ไหนควรไปหรือไม่ควรไป ก็หมายรวมไม่ควรดูไม่ควรดูควรควางไม่ควรคว้างควรรวไม่ควรรวมควรลิ้มไม่ควรลิ้มควรจับต้องไม่ควรจับต้องนีควรเดี๋ยวนึกตึนึกหรือไม่จนถึงก็ขนาดความคิดเนี่ยกระบวนการทาความคิดเนี่ยฉลาดในกระบวนการคิดว่าเรื่องนี้ควรคิดหรือไม่เป็นเรื่องอะไรนะคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์ยังไงนะแต่คิดแล้วไม่ได้ประโยชน์จะคิดไปทําอะไร ต้องจำแนกแยกแยะชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเยาะเย้ยฉลาดในกระบวนการของความคิดอย่างความคิดที่เกี่ยวกับการพิจดเกี่ยวกับพยาบาทเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งการอะไรกันเนยไม่รู้จะคิดไปทําอะไรมันก่อนก็มีข่าวตั้งโทรทัศน์เป็นทํานองใบปลิวโจมตีไปทางจุลาลัตรีผู้ว่าทั้งพรรคได้ใดจะอะไรเนี่ยไปอ้างกลุ่มโจมรมพุทธมันก็หาเรื่องทําให้วุ่นวายนะ่ะ ก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่าทางาศาสนิกอิสลามเขาก็ทำในความเรียบร้อยนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ควรแก่การแสดงแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่อยู่บนพื้นฐานรัฐธรรม น, นูนเขาก็แสดงไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์แต่เป็นการแสดงให้ยุติเวรภัยอันตรายซึ่งใครๆก็คิดอย่างนั้นนะต้องการน่มันยุติมันไม่รู้จะฆ่าเยนฆ่ากันไปทาไม เดือดร้อนกันไปเปล่าๆแล้วบ้านเมืองก็ป่วนกันไปหมดไล้โลกก็ป่วนกันไปหมดเล ย, ลกกเลยคือการฆ่าเขาฆ่าเราเนี่ยที่จริงมันไม่ดีทานั้นมันก็จากการสังเกตติดตามข่าวคราวต่างๆเขาทาด้วยความเรียบร้อยนะฮะไม่ไม่ได้อังวัยไม่ได้เผาทําลายไม่ได้ไปบุกขยมพังประตูตราฐานทูตอะไรต่ออะไรมันไม่กันอันนั้นมันไม่ใช่ถึงในชักน้ำขาวาขาลึกชักสื่อขา้าบ้านแต่ว่าการ แต่ใบปิวก็ใบปริวนะอย่าไปเอานิยามอะไ ร, ป, ระปล่อยไปเรื่องใบปลิวไปเป็นเรื่องธรรมดาไปธรรมดาคนเราเนี่ยเมื่อมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบแต่บางทีเนี่ยคนที่ทำใบปลิวก็อาจจะมีเพียงคนเป็นคนเดียวแต่เนี้ยคือใบปลิวนี่เราต้องนึกนะว่าที่จริงมันเป็นบุคคลเป็นคนเดียวเขียน แล้วก็อะโรุรเนียไปเท่าไรก็ได้นะฮะถ่ายเอกสารลาไปเท่าไรก็ได้ไม่จะแปรงอะไรโดยเข้าไปเครื่องโะรเนียลไปลาเนี่ยมันมีเยอะพิมพ์ออกไปเนี่ยแต่สมบัติจำนวนความคิดความเห็นนี่เป็นเรื่องของคนุนคนเดียวเราเป็นนิยายมากก็ปวดหัวปเปล่าเสียเวลาปเปล่าเราปร่อให้เลยไปตามเลยนั่นคือเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดมันต้องฉลาดในกระบวนการทาความคิด แล้วก็ต่อไปก็รู้อะไรเป็นที่สบายไม่เป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายอากาศเป็นที่สบายอารมณ์เป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายธรรมะเป็นที่สบายอะไรแต่อะไรเนี่ยก็ต้องหาความสบายต่างๆได้จนสามารถกระจัดความหลงได้ทีนี้สติสมัมปชัญญะก็ใช้ไปในอุญญาบททั้งปวงไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามนะคือใครจะทำอะไรก็ตามให้กำกับไว้ด้วยสติสมัมปชัญญะอย่างต่อนเนื่อง อย่างที่งแสดงว่าทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการก้าวเท้าไปข้างหน้าในการถอยในการแลในการเลี้ยวในการคู่เข้าในการเหยียดออกของแขนของเท้าอะไรแต่ไรก็ตามนะฮะอย่างที่เขากรรมฐานประเภทรูปหนอพองหนอเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการยกมีการเหยียดมีการเหยียด ยกเท้าขึ้นเหยียดเท้าออกกดเหยียดเท้าลงยกย่างเหยียบอะไรอะไรเขาก็ว่ากันไปคือฝึกสติรู้เท่าทันต่ออิเดียบที่ยกขึ้นบางค่านนะก็ทํายกมือนะฮะยกมือเราใจเมื่คู่ข้าวเหยียดออกคู่ข้าวเหยียดออกก็ตั้งสติสัมจันยนะรู้เท่าทันต่ออาการคู่ข้าแล้วก็เหยียดออกนะลูกศิษย์ก็นั่งทําอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีฝึกอ ท่านฝึกเอาอย่างเดียวแต่ว่าที่พระเจ้าสอนเนี่ยหมายความว่าเราจะอยู่ในรถยบทใดก็าตามประเด็นสาคัญว่าคุณรู้เท่าทั น, นยถาบทเหล่านั้นอ่ะรู้เท่าทั น, นยถาบทที่เราทาในการคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกคู่เท้าข้าวเหยียดเท้าออกในการนุ่งหอมผ้านะ่ะแต่งเนื้อแต่งตัวในที่นี้ก็เรียกว่าทรงผ้าทรงทรงสังคาติบาตีวอน เอาจีวรมาข่มก็ข่มทำยังมีสติ อ, องศามาสวมก็สวมยังมีสติเอาสังกติมาพ้าก็พาก้พา ย, ยังมีสติอ่ะเวลาจะในการฉันก็ดีในการดื่มก็ดีในการเคี่ยวก็ดีในการลิ้มก็ดีในการถ่ายนะแม้แต่ถ่ายอุจาระถ่ายปัสสาวะนี่ยมีสติสัมปญะเข้ากำกับทําความรู้สึกตัว ในการเดินการยืนการนั่งนะการหลับถึงการหลับนะการนอนการหลับเนี่ยืดเดินนั่งนอนในที่จริงเป็นอิรยาบถประภัแต่หลายละเอียดตรงนี้มันมันเป็นสัมปชัญญะประภาก็ทรงแสดงรวมกันในสัมปชัญญะประภาเองก็ว่าอย่างเนี้ยตลอดถึงว่าในการตื่นขึ้นในการพูด ว่าตอนใดควรพูดพูดเรื่องอะไรพูดไปเพื่ออะไรพูดแล้วได้ประโยชน์อย่างไงแล้วในการนิ่งทําไมจึงนิ่งนิ่งแล้วต้องมีเหตุมีผลนะฮะไม่ใช่ว่านิ่งโดยไม่มีเหตุมีผลเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตะเมิงทองแต่เรื่องบางเรื่องบางคนจะพูดให้กระจ่างนะอย่างเรื่องท่านอิสระมุนีนี่ที่จริงตัวเองควรมาพูดให้กระจ่าง เพราะว่าดูประเด็นแล้วมันไม่น่าจะลึกลับซับซ้อนอะไรนักหนาแล้วก็อธิบายชี้แจงเพื่อให้เกิดความสบายใจโดยการของคนทุกฝ่ายเรื่อจะประมาจารีทั้งหลายแต่ทราบแล้วก็สบายใจไปมันเราไม่รู้จักหรอกไม่เคยเห็นไม่รู้จักนอกจากเห็นภาพทางโทรทัศน์แต่ว่าคนที่มีความสามารถ ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะได้กันไหนเพียงใรก็ไม่รู้แหละคือสอนธรรมะได้เนี่ยก็เรียกว่าบัณฑิตสมมติว่าเราสอนธรรมะได้แต่เราบกพรองในด้านศีนเนี่ยบัณฑิตก็สรรเสริญในด้านของธรรมะแต่ว่าตําหนิในด้านศีนคือด้านสุตะนะฮะตาหนิในด้านศีนเราเอาร้อยเปอร์เซ็นอะไรไม่ได้เรา แต่แน่นอนถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เป็นที่ว่าเป็นการอยู่อย่างมีสติหรือครองชีวิตอย่างมีสติจึงเป็นหลักการในประการหนึ่งที่จะก้าวไปสู่ฌานทั้งสี่ประการต้องฟังเท่าไหร่แต่โรวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็เ่งนี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามไปบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี